วันนี้เป็นวันเสาร์ที่11พฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นวันพระวันธรรมสวัสดิวันฟังธรรมวันพระนานๆจะมาตรงกับวันเสาร์กับวันอาทิตย์ ญาติโยมที่หยุดทำงานในวันเสาร์วันอาทิตย์จึงได้มีโอกาสมาวัดเพื่อมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงได้ถ้าญาติโยมถือวันพระตามแบบโบราณ คือตรงกับวันขึ้นแรมเช่นวันนี้เป็นวันขึ้นแปดค่ำหรือแรมแปดค่ำหรือขึ้นสิบห้าค่ำแรมสิบห้าค่ำถ้าไม่ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์ศรัทธาญาติโยมก็ต้องไปทำงานเมื่อไปทำงานก็จะไม่ได้มาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรม มาสัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงได้ถ้าจะให้ได้มีประโยชน์จากธรรมะได้ทุกอาทิตย์ศรัทธาญาติโยมก็ต้องถือวันหยุดทำงานคือวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นวันฟังเทศฟังธรรม เป็นวันปฏิบัติธรรมเป็นวันสัมผัสกับรสแห่งธรรมพอดีวันนี้วันพระคือวันขึ้นแปดค่าตรงกับวันเสาร์พอดีศรัทธาญาติโยมเลยมาวัดมาฟังเทศน์ฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาสัมผัสกับรสแห่งธรรมได้ ถ้าวันพระไปตรงกับวันอื่นเช่นวันจันทร์หรือวันศุกร์สัตายาติโยมก็จะไม่สามารถที่จะมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมมาสัมผัสกับรสแห่งธรรมได้ดังนั้นถ้าต้องการได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนา อย่างสูงสุดศรัทธาญาติโยมก็ควรที่จะปรับวันพระวันธรรมะสวนะให้ตรงกับวันหยุดทำงานของศรัทธาญาติโยมศรัทธาญาติโยมก็จะได้มีโอกาสได้ตักตวงประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้อย่างเต็มที่ถ้าเราให้ตรงกับวันพระ ต่อไปวันพระจะเลื่อนไปจากวันเสาร์ก็จะเป็นวันอาทิตย์จากวันอาทิตย์ก็จะไปเป็นวันจันทร์วันอังคารต่อไปพอไปตรงกับวันจันทร์วันอังคารถึงวันศุกร์ศรัทธายศโยมก็จะไม่สามารถที่จะมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติธรรมได้เพราะต้องไปทำงานทาการ แต่ถ้าถือวันพระวันธรรมสนาเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดทำงานสัทธาญาติโยมก็จะสามารถมาวัดได้ทุกอาทิตย์นี่คือความจริงของวันพระวันธรรมสวระคือวันที่ให้สัทธาญาติโยมเข้าวัดกัน เพื่อมาศึกษามาปฏิบัติธรรมกันนั่นเองถ้าใช้วันพระแบบสมัยก่อนก็จะมีการขาดตอนได้เพราะถ้าวันพระไปตรงกับวันทางานก็จะไม่สามารถที่จะมาวัดเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติธรรมได้นั่นเองแต่ถ้าถือวันหยุดทำงาน เช่นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์เป็นวันพระวันธรรมมสวนะัสดวันฟังธรรมสัตยาญาณโยมก็จะสามารถมาวัดได้ทุกอาทิตย์ได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติธรรมกันทุกอาทิตย์ก็จะได้มีเวลาเพิ่มมากขึ้นในการตักตวงผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนานั่นเองผลประโยชน์ของพระพุทธศาสนานี้ ถึงแม้ว่าจะมีคุณค่ามหาศาลมากน้อยเพียงไรก็ตามแต่ผู้ที่จะรับผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้จำเป็นจะต้องมีเวลามารับผลประโยชน์คือต้องมาศึกษาพระธรรมคำสอนเมื่อศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วก็จะได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือรถของการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนั่นเองไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถทำให้จิตใจของศรัทธาญาติโยมหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ ต่อให้มีเงินทองกองเท่าภูเขาหรือเป็นใหญ่เป็นโตระดับประธานาธิบดีระดับพระราชามาหากษัตริย์ก็ตามการมีเงินทองหรือมีฐานะที่สูงส่งนี้ไม่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้แต่กลับจะทำให้ เกิดความทุกข์เพิ่มมากขึ้นไปเสียอีกโดยไม่รู้สึกตัวต้อง ม, มีธรรมะของพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดสิ้นไปได้และการที่จะได้ธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เกิดจากการศึกษาเช่นการฟังเทศน์ฟังธรรม เมื่อได้ศึกษาได้ฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็จะได้รู้จักวิธีปฏิบัติธรรมคือสร้างธรรมะให้เกิดขึ้นมาภายในใจพอได้ปฏิบัติธรรมแล้วธรรมะที่อันเลิศอันประเสริฐที่จะมากำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตใจของพวกเราก็จะ กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปได้อันนี้คือเรื่องของวันพระมีไว้เพื่อให้ศรัท ธ, ธาญาติโยมได้หยุดภารกิจการงานต่างๆหยุดกิจกรรมต่างๆให้มาวัดเพื่อที่จะได้มาศึกษามาปฏิบัติมาสัมผัสกับรถแห่งธรรม ที่เหนือกว่ารถทั้งปวงรถแห่งธรรมที่สามารถกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในจิตใจให้หมดสิ้นไปได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะทำได้ต้องมีรถแห่งธรรมนี้เท่านั้นถึงจะสามารถกำจัดได้และรถแห่งธรรมนี้นานๆก็จะมาปรากฏต่อ สายตาของสัตว์โลกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าผู้ที่จะมาสั่งสอนธรรมะจะต้องมาตัดสู้มาเป็นพระพุทธเจ้าถึงจะสามารถเอาธรรมะอันเลิอันประเสริฐนี้มาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่นได้ผู้ที่จะสามารถค้นพบธรรมะได้ด้วยตนเอง คือพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้ก็ไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาได้อย่างง่ายดายนานๆจะมีะมาปรากฏเป็นที่พึ่งของสัตว์โลกสักครั้งหนึ่งระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นี้จะมาปรากฏขึ้นนี้ห่างกันเป็นกลับเป็นกัน คำว่าเป็นกับนี้ก็หมายถึงเป็นระยะเวลาอันยาวนานถ้าจะเอาแสนล้านมาคูณแสนล้านปีก็อาจจะประมาณได้ว่าเป็นหนึ่งกับ น, นี่คือนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะมาสั่งสอนธรรมะให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเรา ถ้าใครได้มาเกิดในช่วงที่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ต้องถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคอย่างมากมายมีโชคมากยิ่งกว่าการได้ถูกรอ ต, ตรลีรางวัลที่หนึ่งการถูกรอ ต, ตรลีรางวัลที่หนึ่งพวกเราก็รู้กันว่ามันยากขนาดไหนไม่มีใครที่จะถูกรอ ต, ตรลีรางวัลที่หนึ่งกันได้ทุกคน มีน้อยคนมากที่จะได้ถูกลอตเตรี่รางวัลที่หนึ่งชันใดการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ยากมากยากเพราะนานๆจะมีพระพุทธเจ้ามาปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งและยากเพราะของผู้ที่จะมาเกิดต้องมาเกิดเป็นมนุษย์ถึงจะสามารถพบกับพระพุทธศาสนาได้ การถูกกัตเอรลี่รางวัลที่หนึ่งที่เราคิดว่ายากนั้นยังยากไม่เท่ากับการที่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาในฐานะของมนุษย์เพราะถ้าไม่ได้มาเป็นมนุษย์ถึงแม้จะได้พบกับพระพุทธศาสนาก็จะไม่เกิดประโยชน์เช่นถ้าเรามาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานกัน อย่างสัตว์เดรัจฉานที่อยู่ในป่าบนเขานี้เขาก็ได้อยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนาเขาได้พบกับพระพุทธศาสนาแต่เขาไม่สามารถที่จะรับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้เลยเพราะว่าเขาไ ม, ไม่ไม่ได้เป็นมนุษย์เขาไม่มีความสามารถที่จะฟังเสียงฟังภาษาของมนุษย์ได้ เขาจึงไม่มีโอกาสที่จะได้รับรู้เรื่องธรรมะคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยต้องมาเกิดเป็นมนุษย์อย่างพวกเราเท่านั้นถึงจะสามารถที่จะเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พวกเราจึงถือว่าได้ของที่ยากอยู่สองประการด้วยกัน ได้พบกับพระพุทธศาสนาที่เป็นของยากที่นานๆจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่เป็นของยากยิ่งกว่าการได้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานนี้มีจํานวนมากกว่ามนุษย์นี้หลายล้านเท่าด้วยกันการได้เกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานจึงง่ายกว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์ และการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ในขณะที่มีพระพุทธศาสนายิ่งถือว่าเป็นของยากขึ้นอีกหลายเท่าด้วยกันพวกเราจึงถือว่าเป็นผู้ที่มีโชคมหาศาลเหมือนได้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งหลายร้อยครั้งด้วยกันเมื่อเราถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้ว สิ่งที่เราจะทำกันก็คือเราก็ต้องรีบไปขึ้นรางวัลกันถึงแม้ว่าถ้าเราถูก ร, ตตรัตตรี่รางวัลที่หนึ่งถ้าเราไม่เอา ร, ตเตอรัตตรี่ไปขึ้นรางวาัลเราก็ยังจะไม่ได้รับรางวาัลพวกเราที่มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็เหมือนผู้ที่ได้ถูก ร, ตตรัตตรี่รางวัลที่หนึ่งแล้ว แต่การถูกรัตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของพวกเราก็ยังไม่ได้รับรางวัลเราต้องเอาลอตเตอรี่ไปรับไปขึ้นรางวัลการได้มาพบพระพุทธศาสนาก็ถือว่าเราได้ถูกรอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วรางวัลของพระพุทธศาสนาที่มีอยู่หนึ่งรางวัลรางวัลที่หนึ่งคือพระนิพพานะ การหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่จะต้องพูด ผ, ผู้ที่จะไปรับรางวัลก็จะต้องไปเอาลอตเตอรี่ไปขึ้นรางวัลการขึ้นรางวัลของพระพุทธศาสนาก็คือการศึกษาการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้านี้นั่นเองเป็นวิธีของการขึ้นรางวัล วิธีขึ้นรางวัลของลอตเตอรี่เราก็ต้องเอาลอตเตอรี่ไปที่สำนักสลากกินแบ่งหรือตัวแทนแล้วก็ยื่นลอตเตอรี่ไปให้กับเขาเพื่อขอรับรางวัลถ้าเราไม่ไปยืน่นไม่เอาลอตเตอรี่ไปยืน่นเราก็จะไม่ได้รับรางวัลจันทใดการที่เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์และได้มาพบกับพระพุทธศาสนานี้ ก็ยังไม่ได้ทำให้เราได้รับรางวัลจากพระพุทธศาสนาเพียงแต่เราได้ถูกถลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาแต่เรายังต้องไปขึ้นรางวัลวิธีขึ้นรางวัลเพื่อที่จะเอารางวัลที่หนึ่งของพระพุทธศาสนาก็คือเราต้องศึกษาพระธรรมคาสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า เมื่อศึกษาแล้วเราก็ต้องนำเอาไปปฏิบัติต้องทําเป็นขั้นเป็นตอนถ้าเราไปปฏิบัติโดยไม่ศึกษาเราก็จะปฏิบัติไม่ถูกก็จะไม่ได้รับผลจากการปฏิบัติถ้าเราศึกษาแล้วเราไม่เอาไปปฏิบัติเราก็ยังไม่ได้รับผลของพระธรรมคําสอน ผลของพระธรรมคำสอนต้องเกิดจากการปฏิบัติดะงนั้นการปฏิบัติต้องอาศัยการศึกษาการศึกษาแล้วถ้าไม่ปฏิบัติก็ไม่ได้ผลอยู่ดีต้องทำสองอย่างแล้วทำเป็นขั้นเป็นตอนขั้นที่หนึ่งก็คือต้องศึกษาพระธรรมคาสั่งคำสอนเพื่อให้รู้ว่าเราจะต้องกระทำอะไรกันบ้าง เมื่อเรารู้แล้วถ้าเราไม่นำเอาไปกระทำผลก็จะไม่ปรากฏขึ้นมาเมื่อเรารู้แล้วเราต้องนำเอาไปปฏิบัติเมื่อเราปฏิบัติแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาตามลำดับต่อไปนี่คือวิธีขึ้นรางวัลวิธีที่เราจะได้ไปถึงพระนิพพานวิธีที่เราจะได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด จำเป็นที่เราจะต้องศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนต่างๆที่จะทำให้เราได้ไปถึงพระนิพพานกันการจะไปถึงพระนิพพานได้การจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเราต้องสร้างทำชนิดต่างๆขึ้นมา เพื่อเป็นผู้ที่จะนำทางนาพาเราไปสู่พระนิพพานนั่นเองพระนิพพานก็คือการหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตติวิมุตมติหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดต้องปฏิบัติธรรมที่พระเจ้าทรงสั่งสอนที่มีอยู่ หลายชนิดด้วยกันทมชนิดที่หนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดก็คือให้ฝึกความมาักน้อยให้มีความมาักน้อยอยู่ภายในใจอย่ามากมากอย่าโลภมากอย่าอยากได้อะไรต่างๆมากมายเกินไป ให้มากน้อยคือให้อยากได้เท่าที่จาเป็นให้มีสิ่งที่จาเป็นต่อการดำรงชีพก็พออย่าให้มีอะไรมากไปกว่านั้นเพราะไม่เป็นประโยชน์และจะเป็นอุปสรรคต่อการที่จะไปสู่พระนิพพานได้ผู้ที่ต้องการไปนิพพานต้องการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดจาเป็นจะต้องเป็น คนมากน้อยข้อที่หนึ่งคือมีความมากน้อยไม่ต้องการอะไรมากปัจจัยสี่ก็เอาเท่าที่จําเป็นเช่นเสื้อผ้านี่ก็ขอให้มีพอใส่ก็พอไม่ต้องมีเต็มตู้ร่างกายมีร่างกายเพียงหนึ่งร่างกายเสื้อผ้ามีสองสามชุดก็พอที่จะอยู่ได้แล้ว เสื้อผ้ามีหน้าที่ปกป้องหุ้มหอ่อป้องกันภัยให้แก่ร่างกายป้องกันภัยจากอากาศหนาวเย็นหรือมแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆเท่านั้นเองนี่คือหน้าที่ของเสื้อผ้าถ้ามีอยู่สองสามชุดนี้ก็ถือว่าพอเพียงแล้ววิธีที่จะดูความมากน้อย ต้องดูตัวอย่างของพระภิกษุพระภิกษุนี้เป็นตัวอย่างของผู้ปฏิบัติความมากน้อยตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของปัจจัยสี่อาหารก็ให้รับประทานครั้งละวันละหนึ่งครั้งก็พอรับประทานวันละหนึ่งครั้งเสื้อผ้าก็ให้มีผ้าตาหนึ่งชุด มีผ้าสามผืนก็พอมีผ้านุ่งผ้าหม่มแล้วก็ผ้ากันหนาวก็อยู่ได้แล้วที่อยู่อาศัยก็อยู่ตามมีตามเกิดให้ไปอยู่ตามป่าตามเขาอยู่ตามถ้าตามเงื่อมผาเป็นที่เหมาะสมต่อการบำเพ็ญต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด สรุปแล้วความว่าความมากน้อยก็คือให้มีน้อยๆอย่ามีมากเกินความจำเป็นเพราะมันจะเป็นภาระมันจะต้องมาคอยดูแลรักษาเสียเวลาไม่เกิดประโยชน์อะไรให้มีน้อยๆจะได้ไม่ต้องมีอะไรมาคอยกังวลมาคอยรักษานี่คือความมากน้อยข้อที่หนึ่ง ผู้ที่ปฏิบัติผู้ที่ต้องการจะไปสู่พันธิพาณจำเป็นต้องฝึกให้มีอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆคือความมากน้อยวิธีจะรู้ว่าเรามากน้อยหรือไม่ก็ให้ใช้คำถามนี้ทุกครั้งที่เราต้องการอะไรเราต้องถามว่าจำเป็นหรือไม่ถ้าไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้แล้วเราจะตายหรือไม่ ถ้าเราจะตายก็ถือว่าจำเป็นเราต้องมีถ้าเราไม่มีแล้วเราไม่ตายก็เรียกว่าไม่จำเป็นก็ไม่ควรจะมีถ้าเราอยากจะมีความมากน้อยต้องถือหลักคาถามถามว่าจาเป็นหรือไม่จาเป็นถ้ามีแล้วตายหรือไม่ตายถ้าไม่มีแล้วตายก็ต้องมีเช่นถ้าไม่มีลมหายใจ ก็ต้องตายอย่างนี้ก็ต้องมีถ้าไม่มีน้ำดื่มเดี๋ยวก็ต้องตายก็ต้องมีถ้าไม่มีอาหารรับประทานวันละหนึ่งมือก็ต้องรับประทานอย่างน้อยวันละหนึ่งมือหรือบางทีจะงดการรับประทานอาหารบ้างก็ได้เพราะถึงแม่ไม่ได้รับประทานหลายวันก็ยังไม่ตายได้เช่นพระพุทธเจ้าได้ทรงทดลอง อดพระกายอาหารถึง49วันด้วยกันก็ยังไม่ตายได้ในวิธีการทดการทดสอบความมากน้อยของพระพุทธเจ้าเรื่องอาหารลองอดพระกายอาหารดูได้ถึง49วันว่าถ้าไม่กินอาหาร49วันก็ยังไม่ตายดัยงนั้นถ้าเราต้องมาถือศีลแปดไม่กินอาหารเย็นเพียงมื้อเดียวนี้ เราก็ไม่ตายอย่างแน่นอนถ้าเรายังเป็นผู้มากๆในการรับประทานอาหารอยู่เราก็จะไม่สามารถมาถือศีลแปได้เพราะเรากลัวจะอดตายถ้าไม่ได้กินอาหารเย็นอันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติต้องเริ่มต้นที่ความมาักน้อยต้องการน้อยๆต้องการเท่าที่จำเป็น ถ้ามากกว่านั้นก็ไม่เอาเพราะไม่เกิดประโยชน์ไม่ไม่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานนั่นเองประโยชน์ของการปฏิบัติเพื่อมรักผลนิพพานก็คือให้มีอะไรน้อย น, อ ย, นอยที่สุดเพราะจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลากับการดูแลรักษานั่นเองอ น, นี่คือข้อที่หนึ่งธรรมะที่ พวกเราต้องศึกษาและนำเอาไปปฏิบัติกันให้ได้ก็คือความมักน้อยให้มีน้อยๆมีพออยู่พอกินก็พออย่างที่ในหลวงรัชกาลที่เก้าได้ส่งสอนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงนี่ก็เรื่องของความมักน้อยนั่นเองเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงก็ให้มีพอเพียงต่อการดํารงชีพ ไม่ต้องมีมากเกินไปเพราะว่าไม่เป็นประโยชน์อะไรไม่ได้ทำให้ชีวิตยาวขึ้นดีขึ้นแต่อย่างใดถ้ามีพอเพียงต่อการดำรงที่ชีวิตก็จะอยู่ไปได้ตามตามมตภาพของชีวิตมีมากไปกว่านั้นก็ไม่ได้ทำให้ชีวิตยืนยาวไปกว่านั้นได้งั้นอย่าไปเสียเวลา กับการมีอะไรมากมายเกินความจำเป็นที่เราเรียกว่าฟุ่มเฟือยหรือหรูหราของฟุ่มเฟือยของหรูหรานี้ถือว่าไม่เป็นของจำเป็นของจำเป็นนี่ต้องเป็นของเรียบง่ายเป็นของที่ไม่ยุ่งยากต่อการหาต่อการรักษาถึงจะเป็นประโยชน์ ต่อการบําเพ็ญต่อการปฏิบัติเพื่อพระนิพพานอนนี้คือข้อที่หนึ่งต้องหัดมีความมาักน้อยข้อที่สองให้มีความสันโดษคำว่าสันโดษก็คือให้มีความยินดีตามมีตามเกิดถึงแม้ว่าจะไม่พอต่อการต้องการดำรงชีพเช่นบางครั้งอาจจะขาดแคลนอาหารไม่ได้กินอาหารทุกวัน อาจจะต้องอดกินวันเว้นวันอย่างนี้ก็ให้ยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็ให้ยินดีกับสิ่งที่เราได้มามีอะไรก็ให้เราพอใจกับสิ่งที่เราได้แล้วจิตใจของเราจะไม่วุ่นวายจิตใจของเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่ทุกเวลาที่เราต้องพบกับความอดอยากขาดแคลน ถ้าเราไม่มีสันโดษนี้มันก็จะทำให้เราต้องเดินหล่นทะเยอทะยานหาสิ่งต่างๆตามความต้องการของเราซึ่งการมีความอยากทะเยอทะยานนี้มันก็จะทำให้เราไม่สามารถไปถึงพระนิพพานได้เพราะการจะไปถึงพระนิพพานได้นี้ต้องไปด้วยการกาจัดความอยากความทะเยอทะยานต่างๆนั่นเอง และไม่มีอะไรที่จะช่วยกำลาบความอยากความทะเยอทะยานต่างๆได้ดีเท่ากับความสันโดษเท่ากับความมักน้อยอความมักน้อยก็ช่วยกำจัดความทะเยอทะยานอยากได้สิ่งต่างๆความสันโดษก็ช่วยกำจัดได้ดีกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าสันโดษแล้วนี้อาจจะได้น้อยกว่าความมากน้อยก็พอใจอ ก็ยินดีไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นโอนขวนขวายให้ให้หามาต้องต้องการอยู่แบบไม่ทะเยอทะยานไม่มีความอยากต่างๆ น, นี่คือธรรมะข้อที่สองที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ต้องการที่จะสัมผัสกับรสแห่งธรรมที่ชนะรสทั้งปวงให้มี ขึ้นมาภายในใจคือความสันโดษแปลว่ายินดีตามมีตามเกิดได้มากได้น้อยก็พอใจไม่รู้สึกเสียใจหรือไม่รู้สึกว่าต้องมีมากกว่านั้นได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นอยู่ได้ไม่ตายก็ใช้ได้ถ้าตายก็พอใจเอว่าทุกคนเกิดมาแล้วไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตายด้วยกันทั้งนั้น ถ้าทำทำใจให้มีความสันโดษได้จะไม่ทุกข์จะไม่วุ่นวายใจไปกับการอดอยากขาดแคนมีอะไรก็มีความสุขได้นี่คือข้อที่สองคือความสันโดษข้อที่สามผู้ที่ต้องการที่จะไปถึงพระนิพพานได้นีต้องยินดีต่อการปรีกวิเวก คือต้องยินดีกับการไปอยู่คนเดียวไปอยู่กับที่สงบสงัดตามป่าตามเขาเช่นตามวัดป่าวัดเขาเป็นที่สงบสงัดเป็นที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติธรรมเพื่อพัฒนิพันธ์ถ้าไม่ยินดีกับความการปีกเวกยังชอบอยู่กันเหยียยังชอบอยู่ร่วมกันอยู่อยู่หาความสุขจาก สิ่งต่างๆในโลกนี้คือรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแสงสีเสียงต่างๆถ้ายินดีกับสิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถไปถึงพระนิพพานได้ถ้าต้องการจะไปพระนิพพานต้องการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจาเป็นต้องยินดีต่อการปรีกวิเวกเพราะการปรีกวิเวกนี้จะทำให้การทาใจให้สงบ ทำใจให้เป็นพระนิพพานขึ้นมาได้อย่างง่ายดายนั่นเองถ้าไม่ไปเปริกเว้ยเวกถ้าอยู่ในสังคมอยู่คุกคีกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆใจจะไม่มีวันเข้าสู่ความสงบเข้าสู่พระนิพพานได้ใจต้องการความสงบต้องสงบภายนอกก่อนคือสงบกายเรียกว่ากายวิเวก เมื่อกายวิเวกแล้วการที่จะทำให้จิตวิเวกก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายถ้ากายไม่วิเวกการจะทำให้จิตวิเวกนี้ลำบากยากต่อการกระทำพระนิพพานก็คือความสงบของใจนี้การจะทำให้ใจสงบนี้ต้องให้ร่างกายอยู่ในที่สงบก่อนถ้าร่างกายอยู่ในที่ไม่สงบจะไม่สามารถทำให้จิตสงบได้ ังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะไปนิพพานผู้ที่ต้องการจะหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดจำเป็นต้องมีความยินดีต่อการปรีกวิเวกให้ไปอยู่ที่สงบสงดัดห่างไกลจากสิ่งย่อโยนกวนใจต่างๆคือแสงสีเสียงหรือรูปเสียงกดลิ่นรสต่างๆนั่นเองเพราะถ้าอยู่ใกล้กับรูปเสียงกดลิ่นรสแล้ว ใจจะเกิดความทะเยอทะยานเกิดความอยากต่างๆขึ้นมาแล้วจะทําให้การทําใจให้สงบนี้เป็นไปได้อย่างยากมากหรืออาจจะทําไม่ได้เลยผู้ที่ต้องการไปนิพพานหรือผู้ที่ได้ไปนิพพานนี้จึงมักต้องไปปลีกวิเวกันดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างต้องเสด็จออกจากพระราชวังแล้วก็ไปปลีกวิเวกอยู่ตามป่าตามเขา เพื่อไปควบคุมจิตใจทำจิตใจให้สงบจิตใจถึงจะสามารถไปถึงพนานิพานได้นี่คือข้อที่สามธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ปรารถนาะวิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้มีความยินดีต่อการปีกเวก อยู่ตามลำพังอยู่ที่สงบสงัดเนข้อที่สี่ก็คือให้เมื่อไปอยู่ที่สงบสงัดแล้วก็อย่าไปคลุกคลีกันเช่นไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาแล้วก็ต้องไปแยกกันอยู่ตามที่พักของตนอย่าไปคลุกคลีกันอย่าไปจับกลุ่มกันทำกิจกรรมอะไรต่างๆเช่นนั่งคุยกันหรือนั่งเดิม หรือรับประทานอะไรที่ไม่ควรที่จะดื่มหรือจะรับประทานให้แยกกันอยู่อย่าคลุกคลีกันอย่าคุยกันเพราะการคุยกันนี้จะทำให้จิตใจไม่สงบนั่นเองเวลาคุยกันจิตใจต้องใช้ความคิดเมื่อคิดแล้วจิตก็จะไม่สงบถ้าต้องการให้จิตสงบต้องไม่คุยกันต้องแยกกันอยู่ ต้องอยู่กันคนละที่กันอย่าอยู่ด้วยกันเพราะพออยู่ด้วยกันแล้วอดที่จะคุยกันไม่ได้เพราะถ้าไม่คุยกันก็จะมีความรู้สึกแปลกๆว่าเอ้ทำไมเขาไม่ถึงไม่คุยกันเราไม่คุยกับเขานี่เราทำให้เขาคิดไม่ดีกับเราหรือเปล่าให้เขาคิดว่าเราไม่สนใจเขาหรือเปล่าเราเรายิงหรือเปล่าเราอะไรหรือเปล่า ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมันเลยต้องคุยกันเพราะต่างคนต่างไม่คุยแล้วต่างคนจะมีความรู้สึกอึดอัดขึ้นมาในใจก็เลยต้องคุยกันพอคุยกันก็เลยไม่ได้ทําใจให้สงบแทนที่จะทําทใจให้สงบก็เลยทําให้ใจวุ่นวายทาให้ใจฟุ้งซ่านขึ้นมาแทนดังนั้นเมื่อเราไปปีกวิเวกแล้วไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขาแล้ว ถ้าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาพบปะกันก็อย่ามาพบปะกันให้แยกกันอยู่ตามที่จุดที่เขาจัดไว้ให้เราอยู่ถ้าเวลามาพบปะกันก็มาทำกิจกรรมอะไรก็ไม่ให้คุยกันเช่นมาฟังเทศฟังธรรมทุกคนที่มาก็มาที่ฟังเทศฟังธรรมหาที่นั่งแล้วก็นั่งทำใจให้สงบไม่สนทนาไม่คุยกัน เพราะเมื่อคุยกันแล้วมันจะยาวความคิดมันจะยาวไปเรื่อยๆแล้วความสงบมันก็จะไม่เกิดขึ้นมาถ้าไม่คุยกันต่างคนต่างมีสติคอยควบคุมความคิดเวลามานั่งฟังเทศน์ฟังธรรมก็ควบคุมจิตให้ตั้งใจฟังธรรมหรือเวลามาทำกิจกรรมร่วมกันก็มีสติให้อยู่กับงานที่กำลังต้องทำอยู่ เป็นเวลารับประทานอาหารก็มีสติอยู่กับการรับประทานอาหารไม่ส่งจิตไปคุยกับคนนั่นคุยกับคนนี้ให้มีสติจดจ่ออยู่กับงานคือการรับประทานอาหารหลังจากเสร็จรับประทานอาหารถ้าต้องช่วยกันเก็บกวาดต้องช่วยกันล้างถ้วยล้างชามก็มีสติจดจ่ออยู่กับงานที่ต้องทําแต่ไม่คุยกันไม่ต้องการให้คิด เพราะเมื่อคุยกันแล้วก็จะคิดคิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะทำให้ใจวุ่นวายขึ้นมาได้ น, นี่คือข้อที่สี่เมื่อเราไปปีกวิเลขแล้วเราก็ต้องอยากคลุกคลีกันแยกกันอยู่คนละที่ถ้ามารวมกันมาทำกิจกรรมร่วมกันก็อยากคุยกันให้มีสติอยู่กับกิจกรรมที่เราต้องทำควบคุมความคิดอยู่เรื่อย พราถ้าไม่คอยควบคุมความคิดจิตจะไม่สามารถเข้าสู่ความสงบได้เมื่อจิตไม่เข้าสู่ความสงบจิตก็จะฟุง้งซ่านจะไม่สามารถทําใจให้เป็นพระนิพพานขึ้นมาได้ น, นี่คือข้อที่สที่เราควรที่จะฝึกให้มีในใจก็คืออย่าคลุกคลีกันอย่าสังคมกันให้ต่างคน ต่างอยู่กันไปการแยกกันอยู่ไม่หมายไม่ได้หมายความว่าเราโกรธการเกลียดการแต่อย่างใดการที่เราไปอยู่ไปปีกวิเวกไปอยู่ตามวัดป่าวัดเขานี้เราไม่ต้องการไปทำสังคมเหมือนกับเวลาเราไปทำกิจกรรมทางสังคมเช่นเราไปงานต่างๆนี้เราต้องทักทายกันคุยกันเพราะนี่เป็นเรื่องของงานสังคม ต้องมีการพบปะกันคุยกันเพื่อความสนุกความเพลิดเพลินแต่การปฏิบัติธรรมเพื่อพระนิพพานนี้เราไม่ต้องการที่จะสังสารกันไม่ต้องการที่จะสังคมกันเพราะมันเป็นอุปสรรคต่อการทําจิตใจให้สงบนั่นเองถ้าเราต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์เราต้องคอยควบคุมจิตใจของเราให้อยู่ในความสงบตลอดเวลา เพราะความทุกข์มันเกิดจากจิตใจที่ไม่สงบนั่นเองพอจิตใจไม่สงบคิดนู่นคิดนี่เดี๋ยวก็เกิดความอยากนั่นอยากนี่ขึ้นมาพออยากแล้วไม่ได้ตามใจอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าไม่คิดนั่นคิดนี่ไม่อยากนั่นไม่อยากนี่จิตสงบนิ่งสักแต่ว่ารู้ความทุกข์ก็จะไม่ปรากฏขึ้นมานี่คือธรรมะ ข้อที่สี่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ผู้ที่ปรารถนาพระนิพพานปรารถนาวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ให้เจริญอยู่เรื่อยๆก็คืออยากคลุกคลีกันไปอยู่ที่ปฏิบัติธรรมก็แยกกันอยู่แยกกันปฏิบัติเอาเวลามาปฏิบัติดีกว่าเอาเวลามาคุยกันการคุยกันไม่ได้ทําใจให้สงบไม่ได้ทําให้จิตใจก้าวหน้า แต่กลับจะทําให้จิตใจถอยหลังการไม่คุยกันการแยกกันอยู่เป็นวิธีที่จะช่วยทําให้จิตใ จ, จเจริญก้าวหน้าข้อที่5ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราฝึกให้มีขึ้นมาก็คือความขยันหมั่นเพียรให้เรากําจัดความเกลียดค้านด้วยความขยันหมั่นเพียรเพราะการที่จะไปปฏิบัติเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี้ จำเป็นต้องมีความขยันหมั่นเพียรดังในพระธรรมคาสอนที่ได้ทรงตัดไว้ว่าหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรความทุกข์จะไม่หลุดถ้าไม่มีความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติเพื่อกําจัดสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับใจก็คือกิเลสตัณหาชนิดต่างๆนั่นเองถ้าไม่ เพียรกำจัดกิเลสตัณหาให้หมดไปจากใจความทุกข์ก็จะไม่หลุดจะไม่ออกไปจากจิตจากใจได้ดังนั้นผู้ที่ต้องการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงจึงจำเป็นที่จะต้องอมีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติธรรมขยันต่อความมากน้อยขยันต่อความสันโดษ ขยันต่อการปีกวเวกขยันต่อการาต่อการไม่คุกขี่กันแล้วก็ให้ขยันต่อการรักษาศีลต้องรักษาศีนระดับของผู้ปฏิบัติคือต้องเพียรรักษาศีลแปดกันให้ได้ต้องพยายามหัดรักษาศีลแปดกันถ้าต้องการจะไปพระนิพพานน เพราะถ้าเรารักษาศีลแปดหรือศีลที่สูงกว่านั้นไม่ได้คือศีลสิบศีลสองร้อยยี่บเจ็ดเราจะไม่มีเวลาที่จะไปปฏิบัตินั่นเองเพราะว่าถ้าเราไม่มีข้อห้ามให้ไปทำกิจกรรมต่างๆเราก็มักจะไปทำกิจกรรมเหล่านั้นกันถ้าถือศีลแปดแล้วก็จะถูกห้ามเช่นศีลข้อที่สามที่ อีอยู่ในสีห้าคือการไม่ประพฤติผิดไปเวณีนี้ยังไม่ห้ามเรื่องของการร่วมหลับนอนกันเพียงแต่ห้ามไม่ให้หลับนอนกับบุคคลที่ไม่ใช่เป็นคู่ครองของตนเท่านั้นแต่ถ้ามาถือศีลแปดแล้วนี้จะถูกห้ามไม่ให้ร่วมหลับนอนกับคู่ครองของตนอยุติการหาความสุขจากการร่วมหลับนอนกันเพื่อที่จะได้เอาเวลา มาทําใจให้สงบนั่นเองถ้าไปร่วมหลับนอนกันก็จะไม่มีเวลามาทําใจให้สงบได้ผู้ที่จะไปนิพพานจึงต้องเพียรพยายามสร้างศีลขึ้นมาให้ได้เพียรรักษาศีลให้ได้รักษาให้มากๆตอนต้นอาจจะรักษาได้อาทิตย์ละครั้งอทิตย์ละวันเช่นวันพระวันนี้บางท่านก็จะถือโอกาส ถือศีลแปดกันแต่ถ้าไม่ใช่วันพระก็จะถือเพียงศีลห้าแต่ถ้าต้องถือเพียงศีลห้านี้ก็จะมีเวลาน้อยต่อการสร้างพระนิพพานกันถ้าอยากจะให้มีพระนิพพานปรากฏขึ้นมาเร็วๆก็ต้องมีเวลาสร้างพระนิพพานให้มากการจะมีเวลาสร้างพระนิพพานได้ก็ต้องมี มีเวลาก็ต้องยุดิยุติกิจกรรมอย่างอื่นไปเช่นการร่วมหลับนอนกันแล้วก็ยุดติกิจกรรมในการรับประทานอาหารมากเกินไปเพราะการรับประทานอาหารมากเกินไปนอกจากต้องเสียเวลาแล้วยังทำให้เกิดอุปสรรคต่อการทำจิตใจให้สงบด้วยเพราะถ้ารับประทานอาหารมากจะทำให้ร่างกายอิ่ม มากเกินไปพออิ่มแล้วก็จะเกิดความเกลียดคล้านขึ้นมาแทนที่อยากจะไปนั่งสมาธิไปเดินจงกรมเพื่อทำจิตใจให้สงบก็อยากจะนอนพอร่างกายนี้พอหนังท้องตึงแล้วหนังตาก็จะหย่อนนั่งสมาธิก็จะสับประงกเดินจงกรมก็จะไม่มีเลี้ยวมีแรงที่จะเดิน เพราะฉะนั้นไม่ควรรับประทานอาหารมากเกินไปพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนให้รับประทานเพียงเที่ยงวันก็พอการรับประทานมือสองมือก็พอเพียงต่อความต้องการของร่างกายรักษาร่างกายให้อยู่ตามปกติได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่อดตายแต่ถ้ารับประทานมื้อเย็นหรือมากกว่าสองมือมันจะ กลายเป็นอุปสรรคต่อการที่จะมาทำจิตใจให้สงบต่อการต่อความภาคเพียนต่อการปฏิบัตินั่นเองนี่คือข้อศีลแปดศีลข้อหกก็คือกำจัดอุปสรรคต่อการบำเพ็ญความสงบไม่รับประทานอาหารมากเกินไปบางท่านนอกจากถือศีลแปดแล้วบางทียังถือ การรับประทานอาหารเพียงครั้งเดียวอันนี้เรียกว่าทุ ด, ดงถือทุ ด, ดงพระพุทธเจ้านี้สอนพระว่าถ้าอยากจะกำจัดความเกลียดค้านกำจัดความง่วงเหงาหงนอนก็ให้กินมื้อเดียวก็พอเพราะว่ายิ่งกินน้อยความง่วงมันก็จะน้อยกินมากความง่วงมันก็จะมากถ้า ง, ง่วงแล้วมันก็จะปฏิบัติทําไม่ได้ เพราะมันจะนอนนั่นเองนี่คือวิธีที่จะทำให้ผู้ปฏิบัติเพื่อพระนิพพานมีเวลาและไม่มีอุปสรรคก็คือต้องถือศีลแปดศีลข้อเจ็ดก็คือให้ละเว้นการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายที่ศีลข้อห้าไม่ได้ห้ามศีลห้าไม่ได้ห้ามไปเที่ยว อยากจะไปดูหนังดูละครไปร้องลําทำเพลงไปแต่งเนื้อแต่งตัวไปงานเลี้ยงต่างๆสามารถทำได้ถ้าถือศีลห้าแต่ถ้าถือศีลแปดนี่ทำไม่ได้เพราะไม่ต้องการให้ไปทำกิจกรรมเหล่านั้นต้องการเอาเวลาให้มาทำกิจกรรมคือการปฏิบัติธรรมการกระทำใจใจกระทาจิตใจให้สงบนั่นเองจำเป็นที่จะต้อง มีศีล8ปดขึ้นไปนะผู้ที่จา ก, กะบายพระนิพพานจริงต้องมีความเพียรพยายามสร้างศีลแปดขึ้นมาตอนต้นก็เริ่มจากอาทิตย์ละวันก่อนวันพระวันนี้ไม่เคยถือศีลแปดมาก่อนก็ลองมาหัดถือศีลแปดดูเมื่อถือศีลแปดแล้วก็จะได้มีเวลามาฟังเทศฟังธรรมมาเดินจงกรมมานั่งสมาธิเพื่อทำจิตใจให้สงบได้ นี่คือข้อที่5ข้อที่6นะที่เราต้องมีก็คือให้มีศีลขึ้นมาศีลของผู้ปฏิบัติธรรมคือศีล8ขึ้นไปศีล8ก็ได้ศีลส0ก็ยิ่งดีหรือศีลสอีก็ยิ่งดีใหญ่ให้พยายามฝึกให้มีศีลกันเมื่อมีศีลแล้วเราก็จะได้มีเวลามาฝึกสมาธิกันนั่นเอง เมื่อเราสร้างศีลได้แล้วขั้นต่อไปเราก็จะมีเวลามาสร้างสมาธิเราต้องเพียรพยายามมาเจริญสติกันมันเจริญสติเพื่อหยุดความคิดปรุงแต่งต่างๆเพราะความคิดปรุงแต่งนี้จะทำให้จิตใจไม่สงบเมื่อจิตใจไม่สงบจิตใจก็จะไม่นิ่งไม่เป็นสมาธิเมื่อไม่นิ่งไม่เป็นสมาธิจิตใจก็จะไม่มีความสุข จิตใจก็จะวุ่นวายจะผลิตความทุกข์ต่างๆขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนั่นเองความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆถ้าต้องการให้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆนั้นมันระ ง, งับตัวลงให้มีความสุขใจปรากฏขึ้นมาก็จำเป็นที่จะต้องเพียรพยายามสร้างสติกันอยู่เรื่อยๆต้องมาสร้างสติกันต้องมีสติ เพื่อที่จะได้ทำจิตใจให้สงบเป็นสมาธินี่คือธรรมะที่เราต้องทำหลังจากที่เรารักษาสิญปะได้แล้วพอเรารักษาศิญปะได้เราจะมีเวลาว่างที่เราจะได้เอามาใช้ต่อการเจริญสติเดินจงกรมก็จะเดินเพื่อเจริญสติการเจริญสติก็คือการหยุดความคิดนั่นเองให้เราอยากปล่อยให้ใจคิด ด้วยการบังค um, ับให้ใจอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นให้อยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธถ้าเราบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆเราจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้หรือถ้าเรายังบริกรรมพุทโธไม่เป็นเราสวดมนต์เป็นแล้วก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้ถ้าเราอยู่กับการสวดมนต์เราก็จะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้ แต่พอเราหยุดสวดมันก็อาจจะไปคิดต่อได้ถ้ามันไปคิดเราก็ต้องหยุดมันถ้าไม่หยุดด้วยพุทโธก็ต้องหยุดด้วยการสวดมนต์หรือหยุดด้วยวิธีอื่นก็ได้มีหลายวิธีเช่นให้เราคอยควบคุมใจให้เฝ้าดูร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่ก็ได้ถ้าเราคอยจดจ่อเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่างๆของร่างกายเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ เช่นเรากำลังล้างหน้าถ้าเราจดจ่ออยู่กับการล้างหน้าเพียงอย่างเดียวเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้ถ้าเราแปลงฟันเราหวีผมเราแต่งตัวถ้าเราอยู่กับกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ใจของเราก็จะไปคิดเรื่องอื่นไม่ได้อันนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติสติก็คือมีให้ควบคุมความคิดนั่นเองอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปื่อย ต้องใช้สติหยุดมันถ้าไม่มีสติก็ต้องใช้การสร้างสติหยุดสร้างสติด้วยการระลึกถึงพุทโธหรือสร้างสติด้วยการสวดมนต์หรือสร้างสติด้วยการเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่างๆของร่างกายเช่นเวลาเดินจงกรมก็ให้เฝ้าดูการเดินของร่างกายดูที่เท้าก็ได้เดินไปก็ซ้ายขวาซ้ายขวาไป ให้รู้อยู่เพียงเท่านี้ให้รู้ว่ากำลังก้าวเท้าซ้ายกำลังก้าวเท้าวขวาถ้าเรารู้อยู่กับการเดินเราก็จะไม่ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเราไม่ดูเท้าเราจะท่องพุโทโธไปภายในใจก็ได้เดินไปก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าเดินแบบใจลอยอย่าเดินแล้วคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าเดินแบบใจลอยนี่เหมือนกับเดินช้อปปิง้ง เวลาเดินไปตามสินค้าใจก็ลอยไปกับสินค้าที่เห็นเห็นกระเป๋าก็ลอยไปหากระเป๋าเห็นรองเทา้าก็ลอยไปหารองเทา้าอย่างนี้เรียกว่าเดินแบบไม่มีสติถ้าเดินแบบมีสติจะไม่ลอยไปหาอะไรต่างๆให้อยู่กับเรื่องเดียวเช่นอยู่กับพุทโธหรืออยู่กับเทา้าซ้ายขวาซ้ายขวาไปถ้าเราฝึกสติได้ต่อไปเราจะมีกำลังหยุดความคิดได้ พอจิตจะไปคิดเรื่องนั้เรื่อง น, น, นี้ก็สั่งให้มันหยุดได้พอรู้ว่ากำลังคิดมันก็จะหยุดทันทีพอเราควบคุมความคิดได้เวลาเรามานั่งสมาธิมันก็จะทำให้จิตใจเราสงบได้อย่างง่ายดายเข้าสู่สมาธิได้พอจิตเข้าสู่สมาธิแล้วเราก็จะได้หลุดพ้นจากความทุกข์ชั่วข่าวพอเวลาจิตสงบความอยากต่าง ที่เคยผลิตอยู่ในใจตลอดเวลามันก็จะหยุดทำการผลิตมันผลิตไม่ได้มันต้องอาศัยความคิดเป็นเครื่องมือถ้าไม่คิดถึงขนมความอยากกินขนมก็ไม่มีถ้าไม่ได้คิดถึงเครื่องดื่มความอยากดื่มเครื่องดื่มก็จะไม่มีถ้าไม่คิดถึงละครความอยากดูละครก็จะไม่มีแต่ถ้าปล่อยให้ใจคิดปั๊บมันจะผลิตความอยากตามมาทันที คิดถึงขนมก็อยากจะกินขนมคิดถึงละครก็อยากจะดูละครอย่นพอเราทําจิตใจให้สงบได้หยุดความคิดได้ความอยากต่างๆมันก็หยุดทํางานพอความอยากหยุดทํางานความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆก็จะหายไปหมดใจก็จะว่างจะเย็นจะมีความสุขจะมีความอิ่มขึ้นมาทั้งๆ ท, ง ท, งที่ไม่ได้ทําอะไร ไม่ได้กินอะไรไม่ได้ดื่มอะไรแต่ใจกลับในความรู้สึกอิ่มมากกว่าตอนที่ได้กินได้ดื่มอะไรต่างๆเพราะการกินการดื่มมันทำให้อิ่มทางร่างกายแต่มันไม่ได้ทำให้อิ่มทางจิตใจแต่าการใช้สติหยุดความคิดต่างๆนี้จะทำให้เกิดความอิ่มใจขึ้นมาเกิดความพอใจเกิดความสุขใจขึ้นมาจะทำให้ไม่อยากได้อะไรอีกต่อไป จะเห็นคุณประโยชน์ของความสงบว่าเป็นความสุขเหนือกว่าความสุขทั้งปวงสุขเอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีนัติสันติบาังสุขขังผู้ที่ฝึกสติจนสามารถนั่งทําจิตใจให้สงบเป็นสมาธิได้แล้วจะเข้าถึงความสุขของพระนิพพานแต่ยังเป็นความสุขแบบชั่วคราวอยู่ยังเป็นพระนิพพานแบบชั่วคราวอยู่เราจึงไม่เรียกว่าพระนิพพาน เราเรียกว่าสมาธิที่ยังมีโอกาสที่จะเสื่อมได้เพราะเวลานั่งไปนานๆเดี๋ยวก็ต้องลุกต้องออกมาจากสมาธิต้องออกมาทำภารกิจอย่างอื่น<ม>พอออกมาจากสมาธิก็จิตก็จะเริ่มคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าไม่คอยควบคุมด้วยสติเดี๋ยวจิตก็จะไปคิดที่จะทำให้เกิดความอยากขึ้นมา พอเกิดความอยากใจก็จะร้อนขึ้นมาสังเกตไม่เวลาอยากได้อะไรใจเย็นหรือใจร้อนกันเวลาอยากจะไปไหนนี่บางทีขับรถนี่ใจร้อนแซงซ้ายแซงขวาเพราะอยากจะไปถึงที่นั่นเร็วๆแต่ถ้าไม่มีความอยากจะไปถึงไหนคนขับก็ใจเย็นๆเช่นคนที่ก็ขับคุยกับแฟนไปสองคนนี่เขาไม่อยากจะไปไหนเขาก็ไม่รีบร้อนเขาก็ขับไปเรื่อยๆขอให้เขาได้คุยกับแฟนเขาก็มีความสุขละ แต่คนที่อยากจะไปถึงที่นั่นที่นี่ใจก็จะร้อนขึ้นมาทันทีนี่แหละคือเวลาที่ออกจากสมาธิมาถ้าปล่อยให้ใจคิดเดี๋ยวความอยากก็โผล่ขึ้นมาแล้วความร้อนใจความทุกข์ใจก็จะโผล่ขึ้นมาเวลาออกจากสมาธิถ้ายังไม่ชำนาญเกี่ยวกับการเข้าสมาธิก็หัดกลับมาใช้สติก่อน พ อ, ออกจากสมาธิก็มาฝึกสติใหม่เหมือนตอนก่อนที่จะเข้าสมาธิถ้าเราฝึกพุทโธก็พุทโธไปถ้าเดินจงกรมดูเท้าซ้ายขวาก็ซ้ายขวาไปถ้าเราเฝ้าดูร่างกายว่ากําลังทําอะไรอยู่ก็เฝ้าดูมันไปทําอย่างนี้ไปก่อนให้มีสติที่แข็งแรงที่สามารถให้จิตเข้าสู่สมาธิได้ทุกเวลาที่ต้องการต้องการจิตให้สงบเมื่อไหร่ บางทีไม่ต้องนั่งยืนเฉยๆก็ทำให้มันสงบได้ถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วขั้นต่อไปพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ไปสร้างปัญญาเพราะว่าถ้ายังไม่มีปัญญาจะไม่สามารถทำความสงบที่ได้จากสมาธินี้ให้เป็นความสงบที่ถาวรได้ความสงบที่ถาวรได้นี้ต้องเกิดจากการมีปัญญามารักษาความสงบที่ได้จากสมาธิ พอจากสมาธิมาแทนที่จะใช้สติก็ใช้ปัญญาแทนเวลาจิตคิดไปทางความอยากพอเกิดความอยากก็ใช้ปัญญาเข้ามาสอนใจว่าสิ่งที่อยากได้นี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแนะ่ถามดูเลยถามว่าสิ่งที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรามันให้ความสุขกับเราได้ไปตลอดเหมือนกับความสงบหรือไม่ถ้ามันไม่สามารถให้ความสุขไปตลอดได้ก็อย่าไปเอามันดีกว่า พอถ้ามันได้มาแล้วเดี๋ยวมันหายไปมันหมดไปความทุกข์มันก็จะเข้ามาแทนที่นั่นเองถ้าพิจารณาดูแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เราอยากได้กันเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพา้าต่างๆในรูปแบบต่างๆเช่นขนมนมเนยเครื่องดื่มต่างๆหรือมหรสลพบันเทิงต่างๆนี่มันล้วนเป็นความสุขประเดี๋ยวประดาวทั้นั้นเองพอมันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็หมดไป พอหมดไปความสุขที่ได้มาก็หายไปความรู้สึกอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายรู้สึกทุกข์ใจก็จะตามเข้ามาทันทีต้องพิจารณาด้วยปัญญาให้เห็นว่าเวลาที่ใจอยากได้อะไรสิ่งที่อยากได้นั้นมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์กันแน่ด้วยการดูว่ามันเที่ยงหรือไม่เที่ยงเราสั่งให้มันเที่ยงได้หรือไม่สั่งให้มันอยู่กับเราเป็นของเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดเวลาหรือไม่ ถ้าเราสั่งไม่ได้ก็แสดงว่ามันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงมันก็จะต้องให้เราเจอความทุกข์ต่อไปถ้าเราไม่ต้องการเจอความทุกข์ก็อย่าไปทําตามความอยากหยุดความอยากไม่ทําตามความอยากกลับหยุดความคิดหยุดความอยากทําใจให้สงบอยู่กับสมาธิดีกว่าอยู่กับความสุขที่เกิดจากความสงบดีกว่าพรอความสุขที่เกิดจากความสงบนี้เป็นความสุขที่เที่ยง ที่เราสามารถทําให้มันอยู่กับเราได้ตลอดเวลาพอเราทําอย่างนี้ต่อไปความอยากต่างๆมันก็จะหายไปหมดพอหายไปหมดสิ่งที่เราจะได้ก็คือวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงการได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนี่เราก็เรียกว่านิพพานนั่นเองจิตสงบจิตมีความสุขตลอดเวลาเพราะเหตุที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจได้รับการกําจัด ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยความภาคเพียรด้วยความปีกวิเวกด้วยการไม่คลุกเกียกันด้วยความมากน้อยด้วยความสันโดษนีเ่เราก็จะได้วิมุตติได้ลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงอนี่คือธรรมต่างๆที่พวกเราจะต้องมาศึกษาแลนะน้อมนำเอาไปปฏิบัติให้ได้ถ้าเราต้องการที่จะได้สัมผัสกับลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวงคือลถของวิมุตติ รถของการหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่มีลดท่นไหนที่จะวิเศษเท่ากับการหลุดพ้นจากความทุกข์ไม่เชื่อลองไปถามพวกนักโทษที่เขาได้รับการปลดปล่อยดู ว, ยว่าการติดคุกกับการออกมาจากคุกนี้อย่างไหนจะดีกว่ากันแต่การหลุดพ้นจากความทุกข์นี้มันดียิ่งกว่าการหลุดออกมาจากคุกตารางหลายแสนหลายล้านเท่าเ้วยกันนี่คือลถแห่งธรรมที่ชนะรถทั้งปวง ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเราเข้ามาศึกษาเข้ามาหากันในวันพระเนี่ยวันในวันธรรมัทสวรรค์เราต้องเริ่มต้นที่วันธรรมัทสวรรค์เราถึงจะเข้าสู่พุทธธรรมอันประเสริฐของพระพุทธเจ้าได้เพราะถ้าเราไม่เข้าวัดไม่มาฟังเทศฟังธรรมไม่มาศึกษาธรรมเราก็จะไม่รู้จักวิธีเข้าสู่ธรรมนี่เองเราจะไม่รู้วิธีสร้างวิมุติขึ้นมาภายในใจ พอเรามาวัดเรามาฟังทำอย่างวันนี้เราก็จะได้รู้ขั้นตอนของการเข้าสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็คือเราต้องมาสร้างความมักน้อยสร้างสันโดษสร้างความยินดีต่อการปีกุ้เวกสร้างการยินดีกับการไม่คุกคีกันสร้างความยินดีต่อความภาคเพียรปฏิบัติศีล ส, สมาธิปัญญากันเมื่อเรามี การทำเหล่านี้อยู่ในใจแล้ววิมุตติก็จะเป็นผลตามมาต่อไปการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวาเวาหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติ อิทิตังปัติตังตุมหังคิปะเมวาสะมิจจตุสัพเพปเรนตุสังกปะจันโทปนะราโสย h ามณิโชติราโสยธาสัพพ i ติโยวิวัจจันโตสัพพะโรโขวินัสสตุ มาเตภวตวันตรายุสุขีทีคายุโกผวะอพิวาฒนสีริสานิจังวุฒาปจายโนจัตตารุธรมมวาทานติอายุวันโอสุขังภาลั ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมใครมีคำถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาแล้วจะมีพิธีกรอ่านคำถามให้วันนี้ใช้เพจอะไรคณะศิษย์ใช่ไหมคณะศิษย์ของพอาจารย์ครับ ม, มีเข้ามาเท่าไหร่ทางเฟ c e ุ o o สองร้อยหกคนครับ y o u t u สองร้อยหนึ่งคนครับวิทยุออนไลน์สี่สิบสี่คนครับผู้รับฟังบนเขาร้อยห้าสิบสี่คนครับรวมทั้งหมดหกร้อยห้าคนครับออแล้วก็เมื่อสักพักาทาง y o u t u ู e หลุดไปช่วงหนึ่งครับอาจารย์สัญญาณหายไปเลยหรือว่าไม่แน่ใจว่าเป็นสัญญาณหรือว่าที่โปรแกรมของเขาภาพห า, ายไปเลยเลยใช่ครับถ่ายทอดไม่ได้ครับช่วงนี้ก็ต้องเปลี่ยนเพจใหม่นะไทย เพจเก่าเพจพระอาจารย์สุชาติตอนนี้ไม่สามารถใช้การได้เลยต้องใช้เพจของคณะสิทธิ์พระอาจารย์สุชาติแทนใครที่ไม่ทราบหรือถ้าทราบก็ช่วยแจ้งกันให้ทราบต่อไปแชร์กันต่อไปว่าเพจเก่าเข้าไม่ได้เลต้องมาใช้เพจใหม่คือคณะสิทธิ์พระอาจารย์สุชาติอมีคําถามก็เชิญถามได้เลย คำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะข อ, อกาสเตียนถามครับพระอาจารย์กระผมเคยภาวนาแล้วจิตสงบเมื่อแปดปีก่อนรสของความสงบนั้นทำให้ใจหวนคำนึงถึงตลอดแต่ภาวนายังไงใจก็ไม่เคยได้ลิ้มรสนั้นเลยอุบายอันใดที่จะทำให้ใจยังลงถึงความสงบนั้นครั้งนั้นใช้กำหนดลมหายใจ มันเหมือนฟลุกที่จิตรวมลงง่ายขอบพระคุณครับก็ต้องทำเหมือนเดิมเพียงแต่ว่ า, อ ย, าอย่าไปอยากให้มันรวมความอยากรวมมันจะทำให้จิตไม่รวมเวลาดูลมก็ให้ดูลมเฉยๆทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เป็นเหมือนครั้งแรกที่ไม่เคยสงบมาก่อนอย่าไปคิดถึงความสงบที่เคยได้แล้วอยากได้เพราะมันจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการทาจิตให้รวมอีกครั้งหนึ่ง ต้องดูลมไปแบบลืมอดีตลืมอนาคตอดีตคือความสงบที่เคยได้อนาคตคือความสงบที่จะได้ต่อไปอย่าไปคิดถึงมันให้อยู่กับปัจจุบันให้อยู่กับลมหายใจไปเพียงอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวจิตก็จะเข้าสู่ความสงบต่อไปได้คำถามจากคุณสัญญาคะ่ะผมปวดหลังเนื่องจากหมอนรองกระดูกแล้วก็ตึงจมูก เนื่องจากปลายประสาทอักเสบปัจจุบันนอนสมาธิเกือบทุกวันสองถึงสามชั่วโมงแต่เข้าอัปนาไม่ค่อยได้กราบขอคำแนะนำพระอาจารย์ครับการสติสติมีกำลังไม่พอสติไม่ต่อเนื่องสติยังพังพังเผลอๆ อ, อยู่พุโทโธได้บ้างเดี๋ยวก็ลืมไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือดูลมแล้วก็ไปดูคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต้องอยู่เรื่องเดียวให้ได้อย่างต่อเนื่อง ถ้าอยู่ต่อเนื่องได้ห้านาทีสิบนาทีก็เข้าสู่ความสงบได้ยั่งต้องพยายามฝึกสติให้มากขึ้นคำถามจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามค่ะนำเข้าปลาแช่แข็งมาขายจากต่างประเทศถือว่าเป็นบาปไหมเจ้าคะก็ถ้าเราไม่ได้ฆ่าแล้วเราไม่ได้ไปสั่งให้เขาฆ่าให้กับเรามันก็ไม่บาปแถ้าเราไปสั่งแล้วเขาไปฆ่าตามที่เราสั่งก็ยังบาปอยู่ คำถามจากผู้ประสงค์ไม่ออกนามค่ะกาบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ครับการทําบุญอุทิศให้ญาติที่เสียชีวิตแบบเรียบง่ายประหยัดและได้ประโยชน์สูงสุดไม่ทราบทําอย่างไรครับก็ใส่บาตร ท, ทาบุญใส่บาตรถวายสังฆทานเรียบง่ายสะดวกเป็นประโยชน์ตั้งผู้รับและผู้ที่จะผู้ให้และผู้ที่รับอุทิศบุญ อีกข้อหนึ่งนะคะอาจารย์เขาถามว่าการทําบุญอุทิศให้คนตายสามารถทําได้บ่อยๆหรือไม่ครับได้ทําได้ตลอดเวลาที่เราต้องการจะทําเพียงแต่ว่าผู้ที่รับบุญเขาจะรอดรับหรือไม่นั้นเป็นเรื่องของเขาถ้าเราไม่รู้เพื่อความมั่นใจเพราะบางทีเขามาขอแล้วเราไม่ได้เราไม่ได้รับรู้เราก็ทําไปเพื่อความ มั่นใจเพื่อความสบายใจทุกครั้งที่เราทำบุญเราก็อุทิศบุญไปให้เขาคำถามจากทาง YouTube นะคะคำถามจากคุณก้องที่บ้านคุณพ่อสั่งให้คนจับปลาจากแม่น้ำให้มาประกอบอาหารทุกวันถ้าเราทานปลานี้เราจะบาปด้วยไหมครับไม่บาปหรอกถ้าเราไม่มีส่วนในการที่จะไปสั่ง เช่นเราไปบอกพ่อว่าผมอยากกินปลาเหลือเกินอย่างนี้ก็ยังมีส่วนอยู่เพราะเราไปเป็นผู้สั่งพ่ออีกทีหนึ่งแล้วพ่อก็ไปสั่งให้เขาทำปลามาให้เรากินแต่ถ้าเราทาเป็นไม่รู้ไม่ชี้เฉยๆไปเมื่อนี้จะมีอะไรกินก็กินไปตามที่เขาทำมาให้กินอย่างนี้ก็ไม่บาปไม่มีคำถามแล้วนะใครที้อยู่ข้างบนนี้มีคำถามไ อยากจะถามก็ยกมือขึ้นมาจะส่งไมโครโฟนไปให้ถ้าไม่มีก็ฟังต่อนิดหน่อยเรื่องของการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี่ถึงแม้จะเอามาเป็นอาหารก็ตามก็ยังเป็นบาปอยู่คนที่ไม่เคยเข้าวัดก็อาจจะคิดว่าไม่บาปเพราะเขาคิดว่าเป็นการเลี้ยงชีพเพราะไม่ผิดกฎหมายก็ต้องถือว่าใช้ได้ แต่ทางศีลธรรมนี้ยังถือว่าใช้ไม่ได้ยังเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นอยู่เป็นการทําลายชีวิตของผู้อื่นถ้าเราอยากจะรู้ว่าดีไม่ดีลราลองย้อนกลับดูว่าถ้าเราไปเป็นปลาแล้วให้เขามาฆ่าเรานี้เราคิดว่าจะดีไหมมีปลาตัวไหนยินดีที่จะพลีชีพเป็นอาหารให้กับคนอื่นไหมไม่มีแร้วทุกคนลากตัวกลัวตายลากชีวิตของตนเหมือนกัน การไปทำร้ายชีวิตของเขาก็ทำร้ายจิตใจของเขาเพราะไม่มีอะไรจะทุกข์มากกับการที่จะต้องสูญเสียชีวิตเวลาเราทำอะไรเราต้องมองย้อนกลับมาว่าถ้าเขาทำกับเราบ้างเราจะคิดอย่างไรถ้าเราย้อนกลับแล้วคิด ว, ว่าไม่ดีเลยแสดงว่าเราก็อย่าไปทำอย่างนี้วิธีที่เราจะรักษาศีลได้เราต้องถามตัวเองย้อนกลับมาว่าถ้าเราให้เขาทำเราบ้าง เราจะยิ น, ยนดีไหมเวลาเราทำเขาเรามีเหตุผลร้อยประการโอ้ยหิวไม่กินแล้วตายเนี้ยหรือ ว, ว่าถ้าไม่ทาลายเขาไม่ค่าเขาแล้วเขาต้องมาทำร้ายเราต้องมาสร้างความรบกวนให้กับเราเช่นมดมแมลงอะไรต่างๆอะไรนี้เราก็พลิกคำถามนี้กับคิดถามขึ้นมาว่าแล้วถ้าเราเป็นเขาแล้วเราถูกทำบ้างเราจะพอใจไหม อันนี้แหละเป็นวิธีที่จะตอบว่าเราทำได้หรือไม่ได้ควรทำหรือไม่ควรทำถ้าเราไม่ต้องการให้ใครมาทำาะไรเราเราก็อย่าไปทำอะไรเขามีคำถามอีกไหม ย, ยังไม่มีนะยังไม่ ม, นะ ม, มีก็ต่ออีกนิดหน่อยอนี่คือศีลถ้าเราทำบาปด้วยความไม่รู้ด้วยความคิดว่าไม่ผิดนี่มันก็จะทำให้เราเป็นเดลฉาน เพราะสัตว์เดรัจฉานเขาไม่รู้ว่าผิดเนี่ยสัตว์เดรัจฉานเขาอยู่กันด้วยการกินกันฆ่ากันด้วยการเบียดเบียนกันถ้าเราทำแบบเดรัจฉานจิตใจเราก็กลายเป็นเดรัจฉานไปพอร่างกายนี้ตายไปพอจะไปได้ร่างกายอันใหม่ก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉานแทนต่นอไปมีคำถามจากทางอินบ็อกค่ะการทำสติให้ต่อเนื่องต้องทาอย่างไรบ้าง ในรูปแบบและนอกรูปแบบครับก็ทําตั้งแต่ตื่นจนหลับเนะี่ยพอลืมตาขึ้นมาถ้าต้องกานเจริญสติก็มีหลายวิธีเราเลิกพุโทโธไปเรื่อยๆก็เป็นการเจริญสติพอลืมตาปุ๊บจะคิดถึงคนนั่นคนนี้ก็พุโทโธแทนไปพุโทโธพุโทโธไปลุกขึ้นมาก็พุโทโธยืนก็พุโทโธเดินก็พุโทโธ อาบน้ำล้างหน้าแปลงควันกบพุโทโธแต่งเนื้อแต่งตัวก็พุโทโธรับประทานอาหารกบพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดไปถึงอดีตไปถึงอนาคตอย่าไปคิดถึงคนนั่นคนนี้ถ้าจะคิดก็คิดแต่เรื่องที่จาเป็นถ้าจาเป็นต้องคิดว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ต้องไปทำอะไรก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวพอคิดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กลับมาพุโทโธใหม่อย่าปล่อยให้ใจคิดคอยควบคุมความคิด เอาความดูความคิดนี้มันเป็นเหมือนนักโทษอย่าปล่อยให้มันไปเพ่นพ่านพอมันจะขยับตัวปั๊บนี่ต้องเอาหยิบเอาโซ่อะไรมามัดมันไว้ทันทีอย่าปล่อยให้มันไปไหนมาไหนอย่าปล่อยให้มันคิดนะจะใช้รูปแบบไหนก็ได้ใช้พุโทโธก็ได้หรือจะใช้การจดจอ่อเฝ้าดูการกระทาของร่างกายก็ได้กำลังทำอะไรอยู่ก็ให้อยู่กับการกระทานั้น อย่าไปคิดเรื่องอื่นอย่างนี้เรียกว่าเป็นการเจริญสติพอมีสติแล้วเดี๋ยวเวลานั่งสมาธิมันก็จะมีสติอย่างต่อเนื่อง5นาที10นาทีมันก็จะเข้าสู่ความสงบได้บมแล้วเลยมไม่มีก็พอแล้วมั้งไว้วันหลังค่อยว่ากันใหม่ ก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจิพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ